เะฮะเกี่ยวกับพระสุนรไหก็แล้วแต่ก็หยิบยกมาถามกันได้ส่วนอัตมาและหมอรัตะพงศ์ก็จะทําหน้าที่ต่อไปกนะ็คือการเอาธรรมะเนี่ยมาขุดคุยแล้วก็ใช้พุทธพจน์เนี่ยมาค้นคว้ า, าคําตอบครบวันนี้คือเราได้กล่าวมาถึงเรื่องอริยมรรคมีองค์8ซึ่งเราได้กล่าวต่อเนื่องมานะครับ ห, ห้ามรรคนะครับห้าองมรรควันนี้จะเป็น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 เราอาจจะมาดูก็ได้ว่าในชีวิตเราตั้งแต่ปี2 5 5 4เนี่ยนะเพิ่งจะเริ่มต้นปีเนี่ยในปี 5, 3, 5, 2, 5, มในที่ผ่านมาเนี่ยปีที่ผ่านๆมาเนี่ยเรามีนิสัยอะไรหรือว่าสิ่งใดที่เป็นอัุณโสนที่เราเคยทำมาก่อนนนแล้วไม่ดีต้องการจะเลิกให้ใสเอาไว้นะรายการที่หนึ่งให้ทำา4รายการจดหมายครับจดหมายรายการแรกเนี่ยให้จดหมายนิสัยที่ไม่ดีที่ต้องการจะเลิก อันที่สองที่นิสัยที่ต่างๆที่ไม่ดีเนี่ยที่เราเลิกได้แล้วไม่ไม่ไม่ไม่ทํามันแล้วเนี่ยอย่างบางคนเลิกสูบบุหรี่ได้แล้วเนี่ยแล้วจะป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอย่าให้มันมาอีกไม่ให้ย้อนกลับมาไม่ให้ย้อนกลับมาที่เราเลิกไปแล้วไม่ให้ย้อนกลับมาเนี่ยก็คือมีอะไรบ้างเราก็จดเอาไว้แล้วเพราะฉะนั้นลิสต์แรกเนี่ยรายการแรกเนี่ยจะค่อยๆเลื่อนไปรายการที่สองนึกออกไหมก็คือรายการแรกเนี่ยคือรายการที่เราต้องเลิก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 เลิกกินจุดจิบได้อันนี้จดเอาไว้เป็นความภูมิใจน ะ, ะนิสัยเช่นขี้เกียจขี้คร้านตื่นสายเราเลิกละเราก็จดไว้อย่างงี้เพราะฉะนั้นรายการแรกเนี่ยจะค่อยๆเคลื่อนไปรายการที่2งซึ่งตรงนี้เป็นนิสัยเดิมซึ่งมันกลับมาได้แล้วเราต้องคอยระวังนะแม่มันกลับมา อ, อันที่3ข้อดีอันไหนนะที่ตัวเองเนี่ยยังไม่เคยทาต้องการทาให้ได้นะ เช่นนักสมาธินั่งสมาธิทุกเช้าพูดแต่เรื่องดีของคนอื่นมีวาจาสัตบุรุษเป็นคนออมน้อนทำต้นแเป็นคนระลึกถึงบุญคนคนเอ่ยมีฮีริโอตาปะอันนี้เราต้องการทำแล้วรไม่มีนะะจดไว้เลยให้มันยาวๆหน่อยอันเนี้ยแล้วก็อันนี้คือรายการที่สามนะคือลิสต์ที่สามคือข้อดีที่ควรกระทำที่เรายังไม่ได้ทำแล้วก็อันที่สี่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 ในราตรีหนึ่งเนี่ยนะตั้งแต่หกโมงเช้าถึงหกโมงเย็นถึงหกโมงเช้าก็แล้วกันในช่วงชั่วโมงอ่าตอนช่วงที่พระอาทิตย์ไม่ไม่มีอยู่แล้วเนี่ยในช่ว ง, งนี้ถ้าเราสมมติแบ่งเป็นสามส่วนครนะแบ่งเป็นสามส่วนเนี่ยคุณจะแบ่งยังไงล่ะอ่าจะแบ่งส่วนละสี่ชั่วโมงจุดตั้งทาง้าบแบ่งส่วนสี่สี่ชั่วโมงอา่าอันนี้ก็ก็นี้ก็แบ่งได้แบบหนึง่งหรือคุณจะแบ่งส่วนแรกหนึ่งชั่วโมงแบ่งส่วนกลาง สิชั่วโมงแบ่งส่วนหลังอีก1ชั่วโมงก็ได้เหมือนกันคือแบ่งได้ทุกแบบแหละอาจะแบ่งส่วนแรกสองชั่วโมงแบ่งส่วนสุดท้าย2ชั่วโมงตรงกลางเหลือ7เหลือ8ชั่วโมงอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันทีนี้ทำไมทําไมอาจจะมาถึงนพื่องี้เพราะว่าพระพุทธจไม่ได้ฟันตรงไว้ว่าต้องแบ่งอย่างละกี่ชั่วโมงเพราะฉะนั้นแบ่งเท่ากันก็ได้แบ่งไม่เท่ากันก็ได้แต่ขอให้มีเราจะมาเคยมาสังเกตสังเกตดวงจันทร์ ว่าเอดวงจันเวลาเคลื่อนไปเนี่ยถ้าเรามองเฉยเฉเพลินเไปเนี่ยเวลากี่ประมาณกี่นาทีกี่ชั่วโมงเราถึงเจอสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของดวงจันได้นะก็พบว่าประมาณ40นาทีพอสีนาทีจะเปลี่ยนตำแหน่งให้เราสังเกตได้คือมายว่ามันเปลี่ยนทุกเซียววินาทีอยู่แล้วไงมันเป็นระบบอนาล็อกนึกออกไหมมันก็จะค่อยคหมุนไปประมาณแต่พอความที่เราพอจะสังเกตได้เนี่ยก็ประมาณสัก 40- 50นาที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 ให้ตื่นอยู่เสมอนี่คือหมายว่าไม่ต้องหลับต้องนอนกันเลยหรือไงอย่างนี้นะมไม่ใช่อย่างนั้นถ้าหลับไปนะไม่ใช่อย่างนั้นที่ว่าให้ตื่นอยู่เสมอหให้ตื่นอยู่เสมอเนี่ยหมายความว่าให้ทําอย่างนี้นะคือให้ประกอบชาคลี่านธรรมนะชาครี่าณธรรมคือทําอันเป็นเครื่องตื่นหให้ตื่นอยู่เสมอก็คือว่ า, เ, าเดินจงกรมนั่งสมาธิทั้งวันเลยจนถึงสิ้นเวลากลางวันยามแรกแห่งราตรีก็เดินจงกรมนั่งสมาธิอีก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 ใช่ครับ6 0 0งถึง4ทุ่มใช่ไหมครับจนถึงจนถึง4ทุ่มอ่าครับอ่าจนถึง4ทุ่มเนี่ยหมายคำว่าไงหมายคมว่าคุณเดินจงกรมนั่งสมาธิตั้งแต่กินข้าวเสร็จจนถึง4ทุ่มเลยเหรออ่าอ่าที่นี้ที่ไปดูในบาลีเนี่ยไปดูในบาลีเนี่ยผู้ทชาพูดอย่างนี้นะผู้ทีชาไม่ได้พูดอย่างงั้นเป๊ะผู้ที่ชาบอกว่าเดินจงกรมนั่งสมาธิจนท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 เดินจงกรมนั่งสมาธิไปจนสิ้นยามแรกของราตรีเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณต้องเดินจงกรมนั่งสมาธิตลอดไม่มีการพักเลยอออืืในขณะที่พระุทธเจาไม่ได้ไม่ได้พูดอย่างนั้นไงอ๋อครับครับอืมอมอือมอ่าพระุทธเจ้าพูดแค่ว่าตอนกลางวันให้เดินจงกรมนั่งสมาธิตอนกลางคืนยามแรกให้เดินจงกรมนั่งสมาธิตอนกลางคืนยามกลางให้พักตอนอย่างอาจะรีตอนกลางคืนยามสุดท้ายให้เดินจงกรมนั่งสมาธิ เพราะฉะนั้นช่วงที่กลางวันเปลี่ยนไปเป็นกลางคืนเนี่ยคุณน่าจะมีทำกิจกรรมอย่างอื่นได้อาจจะพักผ่อนอาบน้ำ เ, เก็บข้าวเก็บของซักผ้าอะไรนี้ได้ไม่ใช่รวดเดียวคนไปตลอดอย่างนี้นะนี่ก็เป็นข้อสังเกตอันหนึ่งครับผมนี่คือเรื่องของชาเรียนธรรมในหมวดของความเพียรครับครับหรือทำมันเป็นเครื่องตื่นอยู่เสมอใช่ใช่ครับทีนี้ก็คือโดยโดย้็เก่า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 อันที่เรามีอยู่เราต้องการเลิกอันที่2ก็คืออันที่เราเลือกได้แล้วป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นจะค่อยๆเพิ่มจากซ้ายไปขวารายการที่เป็นกุศลก็เหมือนกันต้องค่อยๆเพิ่มจากซ้ายไปขวารายการอะไรที่เราคิดว่าเราต้องทําให้ดีขึ้นให้ดีขึ้นได้ก็เลื่อนไปด้านซ้ายรายการอะไรที่เราทําได้ดีอยู่แล้วก็มาย้ายมาข้างขวาทําให้ดีต่อไป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 คุณจะเป็นคนดีขึ้นมาได้อย่างอย่างมากๆเลยแล้วกออ็อันนี้เป็นข้อที่พระรูจ้าเนี่ยให้ภิกษุเนี่ยทำอยู่เสมอก็คือว่าให้พิจารณาว่าบัดนี้เวลาล่วงไปล่วงไปเราทําอะไรอยู่ตอนนี้อยู่ใช่ครับ อ, อันนี้เป็นทัศน์เลยใช่ไหมครับที่จะจะได้พบเห็นบ่อยนะครับท่านบอกว่าวันเวลาผ่านไปบัดนี้ท่านกําลังทําอะไรอยูอ่เป็นสิ่งที่ภิกษุควรพิจารณาอยู่เนื่องๆสิประการ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 เก่งคนดีเป็นผู้รู้เนี่ยเขาจะมาติเตียนเราด้วยเรื่องของศีลได้หรือเปล่าเราต้องพิจารณาอางนี้ก็แสดงว่ามีศีลอะไรไหมข้อไหนที่เรายังทำไม่เรียบร้อยอยังเขาเรียกว่าขัดขัดโวโวอยู่นะเราต้องทราบตรงนี้ก็เป็นเรื่องของสัมมาวายมะนะสัมมาวายมะนี่ยังยังรวมถึงรายละเอียดอื่นๆนะอย่างเช่นว่าให้พิจารณาถึง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 คุณรีบเลยครับถ้ามันเกิดจริงนะเราก็สบายเพราะเราทําความเพียรอ่ะเอาไวละเอาความเพียรแต่ถ้ามันไม่เกิดจริงนะแบบนี้เราก็สบายเพราะคนทําความเพียรเนี่ยย่อมมีความสุขสุขในปัจจุบันถูกต้ออต่อให้มันเป็นจริงเราก็สุขต่อให้มันเป็นเรื่องมั่วๆขึ้นมาเราก็สุขไม่มีเสียเลยนะเรื่องของการทําความเพียรเนี่ยมีแต่ดีกับดีครับใช่ครับใช่แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องการทำความเพียรเนี่ย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 นะโดย <S <S โดยสี่นัยยะเนี่ยแบ่งแยกอย่างละสองก็จะเป็นแปดทั้งหมด8ดอย่างเนี่ยยังแบ่งสี่ขี้เกียจกับสี่ขยันอืมครับอ้ออาวคนขี้เกียจก่อนคนขี้เกียจเนี่ยสี่อย่างใช่ไหมคนขี้เกียจสี่อย่าง อ, อย่างแรกนะพอมีงานที่ต้องทําอยู่หรืองานที่ต้องทําทําเสร็จแล้วมีทางที่<อ>จะต้องเดินต้องเดินทางไกลหรือเดินทางไกลมาเสร็จแล้วสมมุติต้องเดินทางจากกรุเ ง, กเรรงเทพไปเชียงใหม่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 ป่วยเสร็จแล้วหายแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเป็นยังไงคนขี้เกียจเนี่ ย, นนยจะใช้อาัยเหตุแดอย่างเนี่ยในการขี้เกียจได้ตลอดอ่อใช่ครับอ่าเช่นพอโอ้ยต้องทำงานตรงนี้ต้องเหนียเยวไปตีตตีอ่ไปจัดความทาความสะอาดเสนาสน ะ, สะนะโอ้ยทําพวกเนี้ยไม่สามารถทําความเพียรได้หรอกนอนก่อนเถอะตอนนี้ยังทำไม่ได้ไม่ทำน ะ, ะ, ะ, ะหรือเพิ่งทํางานมาเสร็จโอ้ยเหน็ดเหนื่อย ไม่สามารถทำความเพียรต่อได้หรอกนอนก่อนพักก่อน เ, ออเป็นอย่างนั้นคนขี้เกียจจะเป็นอย่างนี้นะ ค, คนขี้เกียจยังเป็นอย่างนี้อีกออพอกินข้าวระหว่างไปหาบินธบาตเนี่ยบางทีได้อาหารดีบางทีได้อาหารไม่ดีได้อาหา ร, รดีเนี่ยก็จะพบว่าโอ้โหกินอิ่มนะกินอิ่มเกินไปจนถ้ า, าทาความเพียรไม่ได้นอนก่อนม่วงนอนนะครับก่อนหรือว่า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 แนวะรีทความเพียน<อ>ตอนนี้หรือถ้าทํามาเสร็จแล้วกนะ็จะมีความคิดว่าโอ้ตอนทําอยู่นะกิจการงานมากคุยปรึกษาการทําความเพียนไม่ได้เลยตอนนี้งานเสร็จแล้วเอารีทําก่อนนะก่อนที่ว่างานนั้นจะเกิดกลับมาอีกซึ่ง<อ>คนทําความเพียนเนี่ยกับคนขี้เกียจเนี่ยอาศัยเหตุเดียวกันเหตุเดียวกันแต่ว่าเลือกที่จะกระทําต่างกันถูกต้องเพราะฉะนั้นผู้ฟังรายการเนี่ยควรจะต้อง มีทางเลือกที่ถูกต้องที่หมอนัฐพงศ์ใช้คำว่าทางเลือกเนี่ยถูกต้องจริงๆคุณเลือกเลยคุณจะเพียรหรือคุณจะไม่เพียรคุณจะทําหรือคุณจะไม่ทําคุณจะอ่อนตามแรงกิเลสหรือว่าคุณจะฝืนนะกิเลสมันก็อยู่ในหมอนอะอยู่ในเสื่อในีหมอนก็จะดึงเราไปนั่นเองใช่ครับมีที่มีคําพูดว่าภาวนาจนหมอนแตกนะครับใช่จนหมอนเสื่อหมอนแตกเลยอ่ะ มนะันแตกครั บ, รบโอ้โหบอกว่าก็คือนอนนอนสาแอคิเลใช่ไหมครับใช่แล้วก็ใช้มีข้ออ้างต่างๆเต็มไปหมดในการที่เราจะไม่ทําความเพียรอันนี้ก็ไม่ได้อันนั้นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ทําอันนั้นก็ไม่เอานอนนอนนอ น, นอย่างเงี้ยก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีใช่ครับเพราะไอ้ไนยกว่าเช่นฤดูหนาวโอ้โหนาวหนาวท น, นไม่ไหวพภาวนาไม่ไหวนอนดีกว่าครับพอฤดูร้อนยังไงี ร้อนออกออกไปแล้วแบบโอ้ร้อนแดดเผาอ่ะอยู่บ้านนอนดีกว่าเออไม่ทําความเพียนมันเป็นอย่างไนครับก็อ่างวนหน้าฝนอ่างฝนตกเชฉลแ่ยออกไปก็เปียนอะไรเลยไดอนอนดีกว่าเป็นผู้เต็มไปด้วยข้ออ้างพระเจ้าใช้คําว่าเป็นผู้มีเล่ห์อยู่ตลอดเวลาเป็นไม่ใช่เป็นคนดีเป็นเป็นเพื่อนชั่วเป็นมิจฉุ์่วคนที่มีแต่ข้ออ้างอย่างนี้นะครับการงานก็จะไม่เสร็จเรียบร้อยซึ่งตรงนี้จะเป็นรายละเอียดที่จะพูดได้ในเรื่องของ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 พลยุทธการไฟพลราชบัรุดกองเสนาธิการกองทกองตีกองดนตรีอะไรต่างต้องมีกองพลอยู่เต็มไปหมดเหมือนทหารบกฐานเรือ่หวนรัทมงเนื้อออกไหมทหารบกเนี่ยเขาก็ต้องมีกองเรืออากาศในบกนี่ก็ยังต้องแบ่งเป็นพลธิการทหารมทหารราบทหารปืนใหญอะไรต่างๆนี่นะครับซึ่งข้อมูลตรงเนี้ย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 คือในเมืองเมืองหนึ่งเ่ยคุณต้องมีอาวุธแล้วหนึ่งอย่างนะนอกจากมีอาวุธแล้วมากด้วยนะอาวุธทั้งใกล้ตัวไกลตัวปืนแสวงเครื่องมีดดาบมีหมดนะนอกจากมีอาวุธแล้วต้องมีกําลังพลไงกําลังพลอาวุธก็คือธรรมะสุดตากําลังพลน่ะนะก็คือความเพียรนั่นเองเพียรใช่ครับเพราะมีความเพียรแล้วนะมีอาวุธนะคือเครื่องไม้เครื่องมือแล้วเนี่ยก็คิดว่า จะสามารถป้องกันเมืองได้ครับแล้วก็ในตอนนี้เรื่องของสัมมาวายมะ ก, ก็คิดว่ามีรายละเอียดที่สาคัญๆเนี่ยที่ได้บอกไปแล้วารายละเอียดอื่นๆก็ยั ง, ยงมีอีกมากแต่ว่าเรื่องสาคัญๆเราได้พูดไปแล้วอะไรที่ต้องการไฮไลท์ก็ได้พูดไปทีนี้คำถามในไงของสัมมาวัยมะก็ส่งมาได้ใช่ไหมครับ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 ส่สื่อต่างๆทํางานวิจัยก็สื่อสารกันมาได้อาตมาแล้วก็หมอรัตพง์ก็รอคอยฟังอยู่ครับครับก็เราจะทําหน้าที่ของเราในในส่วนที่จะเผยแพร่ต่อไปนะครับครั บ, รบเพระในตอนนี้เราก็ได้คุยกันถึงเรื่องของสมมาวายมะในรายละเอียดแง่มุมที่สําคัญสําคัญแล้วในตอนต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรเอ่ยหมอรัตพง์สัมมาสติครับท่าน อ๋อสัมมาสตินะในตอนต่อไปนี่ก็คือเพี่ยวธรรมะเปิดธรรมที่ถูกปิดภาพออนไลน์แต่อีพิโซดที่6ตอนที่6ในตอนต่อไปเป็นตอนที่7จ็เป็นเรื่องของสมาสติสัมาสติในตอนต่อไปซึ่งในแต่ละตอนท่านจะอัปเดตในช่วงวันพฤหัสใช่ไหมครับใวันพฤหัสตอนเช้าๆก็มาดาวน์โหลดข้อมูลไปฟังได้เพียวธรรมะภาพออนไลน์ แล้วอย่าลืมมีคำถามข้อสงสัยก็ส่งมาได้นะครับที่ w w w p e เ l t ต a ์เปยวธรรมะคนะครับจ่าเฉลิมพานทางนั้นก็วันนี้ก็เท่านี้นะครับกลับน้ำสาลครับ